ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติศศิษยาบทตรลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคพระสั่งให้ประชุมสงฆ์ข้อเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุณีบวนให้กุมารีมีอายุครบ20ปีผู้ดได้ศึกษาศิษยาในธรรมขอข้อตลอดสองปีแต่ทรงยังไม่ได้สมมติจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูกรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายฉั้ยภิกษุณีจึงบวชให้กุมารีมีอายุครบยี่สิบปีผู้ได้ศึกษาศิกขาในธรรมหกข้อตลอดสองปีแต่สงยังไม่ได้สมมุติเล่าภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยครั้นตำหนิแล้วทรงแสดงธรรมีกถา แล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุณีสงฆ์ให้วุฒานสมมติแก่คุ ม, มารีมีอายุต่ำกว่า20ปีผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรมองข้อตลอดสองปีภิกษุทั้งหลายสงพึงให้วุฒานสมมติอย่างนี้